กรจัดทุนการศึกาดีสเชือนหมต่างเสริมเสรคนเสริมเสริมิ่งนี้มีารประยชน์ทันเอแลคนอื่นเป็นของข้อข้อที่สามากทางอื่นที่มันกดในสนที่สอน้เขาเนื้อสำรับี่ ความตื่แต่ทำดับเพลนจะหย่อนหย่อนจะเยิ้ความความเนติข้องใจความใจล่งสลัดข้องใจความบร้สุทข้องใจก็นยสสาสางก็ไปโสิ่งน้นโทสิ่งนี้แต่เ่อยอย่างนู้นเหนื่อยอย่นี้แต่จิตใจของตัวติดไปตั้งมันดื้ัเด่ขนนานน้อยแ่ใหยอ ใเป็นนใจมันเป็นแงเหอหนอดหรืหนอดเหนื่อยนยันขนาดไหนใจนันจะงอกใจมตุกใจมันใจโตใจหมดที่เยื้อเมอกวมือใครจะจมวัดได้หนอกจากเราจะกาหนดดยจิตใจของเราี่มันไปยิงเกี่ยวตัวทันิงกับอะไรความเมตตาถี่ไปหลงยึดถือ วิตใวิตาัสิ่งเหล่า น, นั้นแตมนนนน่มันเป็นคงวาหรือไม่มันเป็นวิตจัดดงแล้ว่ะเป็นอนิจจังเหื่อยจิตโยคล่องโยคะวิตถือมันเกิดจิตไม่เปิดทุกสิ่่นนานั้นเราวิตนั่นขนาดไหนมันจะเป็นถ้าเราตลอดไปหรือไม่หรือมันจะเป็นไป ต, ตามฐานอานาจสิ่งนั้น เา็นกลางยุ่งสนุมันจะเป็นใจตามหน้าจิตเท่านั้นหนูเปลี่านใจสอบจิตชำใจเคยความใสเคยสะอาดเนือจากความลุ่งเหยิงยึดถือต่างๆความใอใจว่จ้าเรีคาสอนมีคุณค่าสารคดีเกี่ยปกบัติได้ามีความสุขความสบาย จากในจิตในใจทั้งตนถึงจะอดอยากยากจนครอบค่องเงินทองไม่มีใครยันเราเสพยามียาไม่มีใครตาบอดมือชาแต่ท่านจะมีเสี้ยงใจท่านในใจใจทั้งท่านสะอาดใจทังานบริสุทธิ์เรียนพวกเราผูเคยทำมาเก่าก่อนเราจึงมีหลักนะ เราก็ไหนนี่เ <c oughs> ขาคล้าเงานทองเหมเอ็คนอื่นรับแต่เราจะไม่เสียใจอะไรสิ่ท ง, ง, งที่เราทำอ ย, ยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันคือจิตใจของใสจิตใจบริสุทธิความอยากในจิตในใจติดจะเป็นองติดติดยาียงเหื่อยหน่อเป็นไหนนิดน มันเป็นจ er. right ิดไดําู้สึกผ่อนเยือกเยือกบายในสถานที่ต่างๆหรือทำแจะอดยาจ่าจนแจจิตใจเอาท่านมีอดน้ำจนอะไรมีความประจัใจสว่างสบายสงใสสะอาดตลอดระยะเวัามีความสงศของวุตตเจ้าหร่เอียรแ่ะ ปรินยทัศน์การสอนคำองนี้แล้วก็สอนพวกเราคือยังงงเต่าสุสอนพกเราคือยังเหนือบอกเส่าหมอเหนอยตัณจิตใจทองปลุกเหนือหาจากความเต่าหมอเหนดหายจากความสดตะบกเหนือหาจากความเหนื่อยบอดเหื่อยจากควาสว่างสบายเหนจิตใจใสสะอาดเหนจิตใจบริสุทธ ไม่ไดสอนคนป่ว ย, ย, ยอะไริ่วยแล้วเหมือนคนกมีโรไข้ไข้เจ็บอะไรยามันจำเป็นอะไรทีจะนำมารักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยนั้นยาจึงจำเป็นีจะมรักษาโรคไข้ไข้เจ็ดรนั้นมหาไปทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตรงนั้น เราท่านยังมีู้เลดตัเหาี่เลสแกมมอ ง, งท่านแกมนเมศปฏิบัติธรรมะกายใจใจตรงตัวสะอาดหมดจดหมดู้เลสหลังจากท่านสอนไปทนายก็สอนคนอื่นเรามีู้เลดตัญหากิเลสเขอยู่นี้แหละจึงจำเปนกับยงางทำหน้าก่อ เนปีนี city, or, ้เดปัหาจริงควรนำธรรมะมาประดับตาราจารธรรมะความสกประกบสะาดออกไปสามัจะอาดเหรมันจะมอะไรอีกสประกบไรองประ้าสนตกล้ากันปีนี้ิจาราธรรมะของหลพเจ้าเอาไปประดับตาราจใจของตัว ไปนอนไปแต่เพื่อปฏิบัติคว น, นั่งกอะจะเกิเกดข้งประโยชน์มีจิตใจสงบมีจิตใจสุกมีจิตใจสว่างไสวสมีจิตใจสะอาดนี่เป็นวันทักคังสี่พระพุทธเจ้าท่านใอยเอวตาจีโนวันเว็นสามเพลนะครัดูทายจตร้อยประดัษฐานสักกาโดยดอกไม้ถูกเปียนตาดได้ ใ้ต่อไปทาความดีทำใจจ้าเส็แต่เ้าเสียงทงิตใจจะเินมเล็กเล็กถึงคุณพระพุทธเจ้านอกจากนั้นวันนี้เป็นวันที่อีกอันหนึ่งก็คือวันพระองครอายุสองาเป็นวันเดือนสามเนเหมือนกันคือพระพุทจาาท่าน เมอยุตั้งฐานเราจะดันนี้ไปยุสามเดือนสั้นหนเราจะหากเจ็ปริมิพานพือทางซ้าเรื่องหน่าดันปริมิพานมันตายทั้งท่านเหมือนที่เราเด็กมีตาหนึ่งมีแต่ตาหนึ่งในศาสตร์แบบซ้ตาจะมาถึงดันใดเรจะเล่นอะเสิร์เพลกันเรื่อยไปมีท่านจิตใจก็บริสุทธิ์แล้ว มีอะไรตุจจะละตุจบำเพ็ญจิตใจบริสุทธิ์จิตใจสะอาดจิตใจคล่องใสจิตใจเป็นมุขมุขไปจากโลกจะมีอะไรคุจจะไปก่องจิตจิดได้ในจิตในใจอันนั้นแต่ท่งกั้งหน้าวันนั้นเป็นบันจะปริยพันธ์ขงพันธ์แต่เจ้าทยาะต้งช้า เราเันเจตตาในรั้นนคือเนีเป็นภาษาธรรมดาเราทํทราบเรื่องเมื่อนในการปฏิบัติทานเครน่องท่านเป็นปจตควรสลดทั้เงเ ร, รื่จางเกี่ยวิมีความรู้ความสคอาดทประโยชน์แก่โลกมหาสาลไมมีใครที่ไหนจะเหนืนอพระวจนะของเ้าได้การทาประโยชน์แก่โลก และสอมบ so ุคคลสี so so ่ควาและสอนจะได้จุดยืนค่าราคาอาจากการสอนของท่านอุตส่าห์พยายามสอนให้รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ยางยุคอุตส่าสอนมาใน 4.5 พันศาจึงจกลาจากโลกแต่ยังปฏิบัาิ อ่างาขันเวลาพระพุทธเจ้ารู้จักเราต่อเนืองกันมันยืดไล่ได้มันเสียชื่นไม่ได้เม่ก็ต้องแปรทั้งมันซัม่นีใครที่จะมีอำนาจราดสับังคับบัญชาถึงจะมีธรรมะเหนืออย่างเหล่านี้ก็บังคับมันไ้ดิบีตังอันนี้จตังอนัตตามันไเที้ยงมันไ่ใเราไม่กี่เรา มันไม่ขัดเลยบ้างถึงโอกาสเวลานันจะแตกสลายจะแตกสลายข้านั้นายแต่ตอนอื่นจิตใจของเราตะแตกหัลงไปคือมีตรรมยาทัานทำชีวิตหลางกายอันนี้จะมีคุณค่าเหมือุนนั้นอะไรติดตัวเป็นสารประโยชน์ ยังเอาไว้ร่างกาแตกสาหัสไสี้เสียงเหยียดติตัดเหยียดติดคุณขี้ทำเอาไว้มันมไม่เ ด, ด็ดสาหัสยกตัวอย่างพพุทธเจา้าต่างสองคำหา่าวว้ต่อีมนะคุณทำดีต้องทาง่านขี้ทเด็ทํทา อ, าทาอาไว้สาหัสถึจะลายเส้นทำดีขี้ทำทำาไว้ทำไม่เดเลี้ยงหน้าไปขี่ไหนแก่ั่น สอนเอาไว้เน้นเอาไว้ท่านก็เลยงอผีหักหางคสอนไปแล้วจะไม่เด็ดสมหมดว่าเ่าจะิจิตรทางแล่วคนทาบุญไม่เป็นบุญคนทำบาปไม่เป็นบาปทาหนึ่งสองอย่างนั้นทำสองสองท่านเป็นอาารย์ตัวมนมีการมีเสมอใครปฏิบัปฏิบัติตามคาสอนต้องทันดัมีโอกาสเวลาที่จะต้นไปไา วิเลี่ยนหาเพิ่มโตหรือมึนจะเกิดในฉากต่อไปอยากจะมีความติดเงินตายินใจจะอยากจะร่ำเรย่อยทำงานต่างๆความจอนอาไว้หมดดังนั้นพี่ดีที่นี้พี่นะมาทำต่อามคำสอนของพี่ไปใช่ไหอย่าเล่นม่แบบเพื่อปฏิบัติกามคนนั้นในผิดหวังมีความสิด การส บ, บายกุญแจเที่ยวเรียนรู้อยู่ในรัตตจังสานก่อนหน้าจนลำบากนะเราทำความดีเอาไว้ความดีจะเป็นผลเป็นกำไรต่อไปในพบกแข่งงานแข่งงานแล้วเนยความตามความจิ้องพูะาความตามเปรียัหนยหาขงเราเราจะติดหวังเรวยไัเพราะเราเพราะเลาไ จะอะไรจะให้คุณปวดเัดเหนื่อยต่อตัวพ้องตัวความแขงควร้ใเจ้าเป็เหมือนตะกีสสำหรับคนเราเข้าถือปืนมือหากมีปตะกี้เบียงใายเป็นเกิน่องทางแล้วก็อาจจะลำบากากซึ้งเหมือนเราจะไปเดินลิ้นเดินบ่บเดินหลังเดินต่อหยุด เกลี่ยน้คือไหนหรือไทยที่อยู่นนที่นี่มันจะเป็นอย่างไรลองหลักตาเดินดูแต่ว่ามันจะไปเดินอะไรคนอื่มีตาเหมเอนอย่างไรลับเดินแถวนั้นถ้าเป็นกางมีตาคืนก่ามีอแดงเดนแดงแดงหรือใจกลางคืนแล้วมันจเดืดจัด คื่ได้มงนตบอาจตกเดินหลักเดินตาตกหนึ่งบอเลียงเงี้ยสาพิษมันเป็นไปด้คนตาดีแต่หนูมันเลอมันก็เป็นอย่างนี้นี่ทำมาฟองขนเป็นเกณฑ์สางในคนตคคสสารางไห้ใจใจจะปฏิบัติโดยทำม่ฟองน การหาเป็นตอบไข่จะไปสู่สุขสติบ้างก็อาใสทเนื้อสีผและแงเรเส็จท่าความยของเราเราเสรมีความตึงเฉยๆนดหน่เวลาหมดหใจใจมันเด็กบาใจมันบ้าเราเด็กความใจถูกต้องสงการรักษาตาา จะเป็นแหสมนุษย์เราจะรักษาหรือจะแบบนอื่นก็จะรักษาหลายรบ้างหลายรายรักษาชาวราชาขอ ง, าาางเราติดต่างทาง ng, จนนีนเราก็นห่แบบตนหลึกินเายตัวเ ท, ท่านั้นเราเกิดไม่พิ่ใดขาดใดชีวิตเป่ของเราก็จะฟองใสเม่มีโรกทม้เบียดเบียนโมมีเงิน เราไม่าปนไปโดนชัดถี่อูวางงินทองทั้งเราเพราะเราไม่ก่อการทำเสืวอแล้วมีเส่อมีงมีลูกกดหย่อนเงินจังเร่งรุดเงินรุดหนักทุนหนักขวากหนัแต่ดเดืองความดึงเวลาแบบรุดเอาไว้รุดตัง คำสอนขคุณเราควจะได้ต่อดีๆเ่ยต่ควรจะเกิดจากตาต่ควรตจิตอานติดจิตใจมาโดยอยู่แต anyway. ่โลกแตยโลกแต่เรื่องิาวามเมาเราจะมาเท่าเดกทำลายิตใเราแต่ควใช้เาสาา ว่าพวกผาอะไรจะมีด้วยมั้งแต่มันรู้มันใส่ใจอยู่เนาะทำายได้ติดงงติดแต่มันดำ้เป็นดำตั ops, ้งคันจีนทางศาสตร์เส็นว่ารู้กันแบบเป็นภาษาดีชาเราคุกเข็นแต่ชาตันนะดีชาแบบมันก็คุกเขียนเพีนเย็นตันหรือก็เป็นเย็นเป็นติด นอกจากนี h, <H homepage. S 1> ้กตรสถาบันางทางแขนทวาเจ้าก mm ็เป็นบุญเป็นดีปอันหนึ่งนนนครบารเมตตากาเมตตาในการสงของเทวดาของสื่อจะบินเกิดเปศเป็นเป็นประโยชนอกจากนี้การมาอยู่เร่มตั ในวันเราจะต้องยอมตารตาใจทั้งตัวรักษาเนยจิตใจหยิ่ง <vocabulary> จ <DOWN> ิตร <cough lesser> ิ้งแต่งโดยไม่้อเสียท้องเสียอะไรเสียเราทำร้าใจเราเสียเราท้งเนี่ยดินเตาทงลานตาใจเราแบบแบบทำมันเป็นอไรว้ในปีนงหนึ่งนวาบที่ทำมาทาเรียมรดิ้นอกดีใจ ละการกรกทรบนส่วนที่เป็นเพราะทำชีวิตนหัเปนหนึ่งโดยตั้งหน้าทำดินทำดินตามงเนตามเวลาตีดคนเป็นการเป็นเสมอแต่เื่อขอพูท่านเจริญธรรมะใส่ปิณิจิญญาณะจาราวาจารายเค้ื่องตัวละเสียบัรคงดีเหตุวีิขึ้น